อะไรเป็นปัจจัยจริงทาใหสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีความต้องการก็ต้องมองว่าที่เขาต้องการน่ต้องการไปเพื่ออะไรล่ะต้องการต่อรูปเสียงกลิ่นรดผลภัณธรรมลมต้องการจะมีจะเป็นนั่นนี้นู่นต้องการเพื่ออะไรเพื่อได้ความสุขจากมันนั่นแหละโยมต้องการอะไรสักสิ่งโดยคาดหวังอะไรจากสิ่งที่ตัวเองต้องการความสุขสบายใจ โล่งอกหรือไม่ก็เออฉันจะได้มาเพื่อฉันจะได้อยู่ดีขึ้นเหตุที่ต้องการก็มีมูลคือความสุขหนึ่งต้องการเพื่อให้ตนได้สมใจสมใจก็คือมันทําให้ตนเป็นสุขได้ถ้าสิ่งนั้นนําพาความสุขให้เราไม่ได้เราจะต้องการไหมไม่ต้องการชีวิตมันสวยสุขได้มันจึงมีสิ่งที่มันต้องการกับ ต้องการสิ่งต่างๆเพื่อเปลือนะปล่องทุกข์นะเปลื้องทุกข์ชีวิตเป็นสิ่งเป็นทุกข์เดี๋ยวมันเจ็บให้เราอีกแล้วพอเจ็บให้เราเราต้องการอะไรขึ้นมาอกีกต้องการหาหมอดีๆนะพอร่างกายอิดออดอ่อนแอเราก็ต้องการอะไรขึ้นมาอกีกต้องการให้แข็งแรงก็ต้องไปออกกําลังต้องไปนู่นนี่นั่นให้มันแข็งแรงเพื่อจะได้ความสุขนะนั้น ปัจจัยที่ทำให้คนเราหรือสัตว์โลกมีความต้องการเพราะชีวิตนี้เป็นชีวิตที่สวยความรู้สึกเป็นสุขและทุกข์ได้ถ้าชีวิตนี้เป็นก้อนหินก้อนกรวดไม่สุขไม่ทุกข์เลยเนี่ยย่อมจะต้องการอะไรดีหิวก็ไม่หิวไม่หิวอยากกินข้าวมะไม่กระหายน้ำอยากดื่มน้ำไหมไม่ป่วยอยากหาหมอมะไม่ง่วงอยากนอนไหมไม่สกปรกอยากอาบน้ำไหมก็ไม่ มันไม่ทุกเนี่ยไม่รู้จะต้องการอะไรหนึ่งเพราะมีทุกอยู่เสวยทุกพอทุกแล้วต้องการเลยเป็นอัตโนมัติเลยพอรู้ว่าอันนี้ทำไม่สุขต้องการเลยชีวิตเสวยสุขและทุก์ได้จึงเป็นปัจจัยให้มีความต้องการต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้เพราะว่าอยากได้ความสุขนั่นแหละ ต้องการเข้าถึงอมาตะธรรมก็เพราะว่าอยากได้ความสุขต้องการถึงนิพพานเพราะอยากได้ความสุขอยากพ้นทุกข์เออเอาอยากพ้นทุกข์ทุกข์ก็ผลักดันให้ต้องการมันนั่งสมาธิหลังกดหลังแข็งเนี่ยทุกข์เนี่ยแต่ไม่ต้องการทุกข์เนี่ยต้องมาพิจารณาหรือมองว่าเออมันน่าจะพิเศษมันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาหนอ คิดว่าถ้าถึงสิ่งนั้นน่าจะนำพาความสุขที่แตกต่างจากที่เคยรู้จักมาให้ได้หนอก็เลยสนใจที่จะปฏิบัติสนใจจะวิปัสสนาเพื่อจะสัมผัสสุขอันพิเศษก็คืออยากได้ความสุขดังนั้นถ้าไม่มีสุขและทุกอยู่จิตไม่สวยสุขและทุกเลยเนี่ยมันจะไม่มีเงื่อนไขในการส่งต่อให้สัตว์เกิดความต้องการ แต่พอชีวิตมันมีสุขและทุกข์ได้การส่งไปสู่วิถีความคิดนึกหรือความประสงค์จะต้องการเนี่ยจะมีขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยโดยธรรมชาติชีวิตเลยพอทุกข์อะไรขึ้นมาก็คิดละถูกไหมคิดจะบรรเทาคิดจะบรรเทาพอบรรเทาแล้วมันได้สุขพอสุขแล้วจะทำไมต่อติดใจพอติดใจก็จะต้องอยากได้เยอะเพื่อจะต้องห่างเรื่องทุกข์ไปเลยเสพสุขก็ติดใจ เสพทุกข์ก็กละหายวิ่งหาสุขนี่คือเวทนาถ้าไม่มีเวทนาจิตมันจะเกิดตัณหาหมจิตมันเกิดตัณหาก็เพราะว่าจิตมันมีความรู้สึกถ้าจิตมันไม่มีความรู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์อะไรจิตมันก็ไม่ต้องการอะไรนั้นปัจจัยที่พระเจ้าพบว่าปัจจัยที่ทำให้จิตมันเกิดความต้องการเพราะว่าจิตมันมีการสวยความรู้สึกสุขและทุกข์ได้ จิตมันยังมีการเสวยเวทนาได้ถ้าจิตนี้ไม่มีเวทนาไม่มีการเสวยสุขหรือทุกข์ใดๆนึกไม่ออกว่าจะต้องการอะไรถูกไหมนั้นตันหาจิตเขามีตันหาเพราะว่าจิตมันมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้มีตันหาถ้าไม่มีเวทนาจะต้องการอะไรไหะ โยมต้องเข้าใจคำว่าเวทนานะเวทนาภาษาชาวบ้านคือปวดขาปวดแข้งนะแต่ถ้าเวทนาในภาษาธรรมหมายถึงการสวยความรู้สึกของจิตที่จิตยังสวยความรู้สึกเป็นสุข ก, ก็เรียกสุกขเวทนาทุกก็เรียกทุกขเวทนายัางไม่จัดว่าสุขว่าทุกข์เขาเรียกอัตุขคัมสุขเวทนาคือเขายังสวยเวทนาอยู่ การสวยความรู้สึกของจิตที่จะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามเนี่ยพุทเจ้าก็มันนั่งแจกแจงว่าการสวยความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเกิดได้กี่ทางก็ได้6ทางสวยเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เ, ยเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาเกิดได้6ทางนี่คือเวทนา6ทางเพราะมีเวทนา6ทางนี้แหละ เป็นปัจจัยจึงมีตัณหาบางคนยินดีการสวยสุขจากการได้สิ่งที่ตาเห็นนั่นคือสวยเวทนาทางตาเวทนาที่เข้ามาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยตรงทางใจก็มีสองประเภทเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางใจ 1. สัมผัสกับกามคุณโดยตรงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลึก ที่เป็นสัญญาในอดีตอย่างเกินเคยสัมผัสเรื่องราวอะไรก็ยังจำเอาไว้บางทีนึกถึงเรื่องราวนั้นก็ยังมีความสุขนี่คือธรรมอรม์ที่เป็นสัญญาเรื่องกามคุณกับธรรมอรมณ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณนั่นก็เป็นเรื่องของอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ของการปฏิบัติอารมณ์อย่างนั้นไม่ใช่เวทนาที่เกิดจากกามคุณ กามกคุณเกิดได้ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนคิดว่าการมกคุณเนี่ยจำกัดอยู่แค่ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจก็มีนั่งนึกถึงเรื่องกามกคุณในใจได้ไหมแล้วเป็นสุขได้นั่นก็คือเสพกามกคุณได้ด้วยการสัมผัสทางใจกับการสัมผัสกรรมคุณทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือตรงตรง กับกรมคุณทางใจแล้วเนี่ยในทางใจมันก็มีการสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ใช่กรมคุณเช่นอารมณ์ของการปฏิบัติอารมณ์ของฌานอารมณ์ของความบริสุทธิ์นี่คือส่วนที่เป็นธรรมมารมที่สัมผัสทางใจดังนั้นเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาถ้าไม่มีเวทนาจิตไม่สวยความรู้สึก สุขทุกใดเลยเมื่อไปสัมผัสอะไรจิตไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยความต้องการจะเกิดกับจิตได้ไั้มไม่ได้แต่เนื่องจากจิตมันยังเสวยความรู้สึกได้จิตจึงขับเคลื่อนกิริยาออกมาเป็นความต้องการขึ้นมาเป็นธรรมชาติของทุกจิตเป็นธรรมชาติของทุกชีวิตที่เป็นอย่างนี้มายาวนานแล้วพอทุก็ต้องการพอสุขก็ติดใจ ก็อยู่อย่างนี้พอต้องการก็มีอยู่ประธาน พ, พอมีประทานก็มีภพพอมีภพก็มีชาตินิพพิจจะก็มองต่อว่าอะไรเล่าเป็นปันจจัยจึงทําให้เกิดเวทนาเศรษสุขเศรษทุกข์ทั้งทางต า, ง า, งาหูจมูก ล, กลิ้นกายใจการค้นคว้าของพระองค์ก็พบว่าเพราะมีผัสสะผัสสะคือการกระทบผัสสะทางตาก็เกิดความรู้สึก สุขทุกข์เมื่อตาเห็นสัมผัสทางหูสัมบัตทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาทั้งหลายจะมีเมื่อมีผัสสะถ้าผัสสะทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจดับจะรู้สึ ก, กอะไรไหมไม่เวทนามีไม่ได้เมื่อเวทนาไม่มีไม่มีความรู้สึกที่จะสวยสุขหรือทุกข์อะไรเนี่ยจะต้องการอะไรไหมไม่ตัณหาก็มีไม่ได้เมื่อตัณหาไม่มีอุปทานจะมีหม ไม่มีเมื่อประทานไม่มีพบก็ไม่มีพระองค์มาค้นคว้าว่าอะไรเล่าเป็นปันจจัยจึงมีเวทนากระพบว่ามีมีอะไรหนอะผัสสะษาัสสะมีกี่ทางหกทางภัสสะคือการกระทบพอกระทบก็รู้สึกยมเามือกระทบขาไดีรู้สึกไหมพอกระทบก็รู้สึกจิตเหมือนกัน จิตยิ่งอ่อนไหวว่องไวในการเคลื่อนตัวว่องไวในการสะท้อนกิรเลสพอกระทบก็รู้สึกพอกระทบก็รู้สึกนั้นเมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเป็นปัจจัยให้มีเวทนาถ้าผัสสะไม่มีเวทนาจะมีไหมไม่มีนะที่พระธเจ้าก็มองต่อและอะไรเล่าจึงเป็นดัจจัยให้มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ คำตอบก็คือเพราะมีสลายยตนาะสลายยตนาะสลาสละนะ่ะแปลว่าหสลายยตนาก็คืออายตนาหกนั่นเองนะจะเรียกว่าเพราะมีอายตนะหก็ได้หรือเพราะมีสลายยตนาก็ได้ใช่ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงทำให้มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีไหมไม่มีลูกตาหายก็ไม่เห็นอะไรหูดับก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงทำให้มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทีนี้อายตนะหกเนี่ยไอเจ้าตัวที่หกคือใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกหน่อยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เกิดการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะตัวที่หกคือใจหน้าตาเป็นไงใจ มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใจทำให้เกิดผัสสะทางใจคำว่าอายจตนาตัวที่หกคือใจเนี่ยหมายเอาถึงขันธ์สี่ขันธ์ขันสี่ขันธ์คือสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณการจะเกิดผัสสะทางใจได้ไหมายถึงตัวรู้ต้องมีอยู่ถูกไหมที่จะรู้ต่อ สัญญาเวทนาสังขารตัวรู้ต้องมีอยู่เมื่อรู้กาลังตั้งอยู่กับสัญญาเวทนาสังขารตรงนั้นคือผัสสะทางใจมีรู้อยู่โดดๆได้ไหมไม่ได้มีสัญญาเวทนาสังขารโดยไม่มีรู้ได้ไหมไม่ได้กลายเป็นว่าอายตนะตัวที่6เนี่ยหมายถึงการมีอยู่ของตัวรู้ พอถ้าไม่มีตัวรู้ภสษะทางใจจะมีไหมไม่มีและตัวรู้ก็ต้องกำลังสัมผัสอยู่ในภายในไอสิ่งที่อยู่ในภายในก็คือต้องเป็นสัญญาเวทนาสังขารเท่านั้นละถูกไหมตัวรู้ก็จะต้องตั้งอยู่กับสัญญาเวทนาสังขารกลายเป็นขันกี่ขันสขันนั้นอายตนะตัวที่6คือใจคาว่าใจเนี่ย หมายถึงขันธ์สี่ขันธ์และในขณะที่หมายถึงขันธ์สี่ขันธ์เนี่ยตัวรู้กําลังรู้อยู่กับสัญญาเวทนาสังขารณนะที่ตรงนั้นก็เรียกผัสสะทางใจด้วยเรียกอายตณะตัวนั้นว่าใจแล้วในที่ตรงนั้นก็เรียกมันว่าผัสสะทางใจด้วย เมื่อผัสสะทางใจเกิดขึ้นการเสวยความรู้สึกเพราะการสัมผัสทางใจเกิดได้ไหมได้เช่นสัมผัสกับความคิดในใจจะรู้สึกได้ไหมได้สัมผัสสัญญาเนี่ยจะรู้สึกได้ไหมได้เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงจะไม่มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจล่ะ ตาหูจมูกลิ้นกายดับใจดับผรรษะจะมีไหมไม่มีถ้าพรรษะไม่มีเวทนามีไหมไม่มีอีกไอตัวนี้ง่ายใช่ไหมขนมนะเออดังนั้นถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันจะไม่มีพรรษะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมอ้าช้านะ มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ดันไม่มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ลองมีลูกตาแล้วยอย่าให้สัมผัสทางตาสิไม่ได้พราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นปัจจัยให้มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะแล้วไม่ให้มีเวทนาได้ไห ม, มก็ไม่ได้พอสัมผัสแล้วรู้สึก กันสถ้าจะดับเวทนาต้องดับไปที่ผัสสะดับลงที่ตัวเวทนาตรงตรงได้ไหมไม่ได้จะดับเวทนาต้องดับไปที่ผัสสะจะดับผัสสะต้องดับที่สลายตนะใช่ไหมทีนี้พระุทธเจ้าก็มองต่อแล้วอะไรเล่าเป็นปัจจัยให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ การค้นคนว้าของพระองค์ทำให้พบคำตอบว่าเพราะมีนามรูปจึงมีตาหูจมูกกลิ้นกายใจนามได้แก่อะไรเล่าท่านก็ บ, บอกนามได้แก่สัญญาเวทนาเจตนาภัษามนสีการนี้คือนามรูปได้แก่ร่างกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปคือดินน้ำไฟลมและถึงพร้อมด้วยอุปาทายรูป คือสะท้อนภาวะของการเป็นหญิงเป็นชายด้วยร่างกายที่ประกอบด้วยระบบประสาทซึ่งเป็นส่วนของรูปเนี่ยทําให้เกิดอายจตนะกี่ตัวหกเลยหรอร่างกายร่างกายคือรูปขันเนี่ยพอมีรูปคือร่างกายที่ถึงพร้อมประสาทมาแล้วเนี่ยเกิดจะทำให้มีอะไรติดมาด้วยกับร่างกาย ตาหูจมูกลิ้นกายได้มาห้าตัวส่วนนามนามคือสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนานสิการสัญญาก็คือสัญญาขันเวทนาก็คือเวทนาขันต้องเจตนาผัสสะมนานสิการเนี่ยคือส่วนของสังขารลขันนามรูปในที่เนี้ยหมายถึงขันกี่ขันสี่ขันนะ อ, อันนี้เหมืออาชีพถ้านามรูปในภาษาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะชินว่านามรูปคือขันหขันแต่ถ้านามรูปในที่เนี้ยในที่ซึ่งพระเจ้าทรงแจกแจงลงไปเนี่ยหมายาถึงขัน4ขันนามได้แก่สัญญาเวทนาเจตนาผสัสสะมริตการหรือสัญญาเวทนาสังขารรูปก็คือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นร่างกาย ประกอบจากดินน้ำไฟลมเพราะมีนามรูปจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจตรงนี้ก็ง่ายรูปพอมีรูปมันก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายพอมีนามจึงทําให้มีใจถูกไหมพอมีนามคือสัญญาเวทนาสังขารขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีรู้อยู่ในนั้นด้วยได้ไหมไม่ได้พอมีนามก็ต้องมีรู้นามอยู่ในนั้นเสร็จแล้วล่ะ จึงกลายเป็นอายนาตัวที่หคือใจถ้าไม่มีนามไม่มีสัญญาเวนาสังขารมันจะมีใจได้ไหมไม่ได้นะถ้าไม่มีรูปมันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายได้ไหมก็ไม่ได้พอมีรูปก็มีตาหูจมูกลิ้นกายพอมีนามก็มีใจเพราะมีนามรูปจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้านามรูปดับล่ะ ไม่มีนามรูปนามดับสัญญาเวทนาสังขารดับใจจะมีไหมไม่มีแล้วรูปดับกายแตกทำลายคือรูปดับตาหูจมูกลิ้นกายจะมีไหมไม่มีนั้นเพราะมีนามรูปจึงมีสลายยตนะถ้านามรูปดับสลายยตนะก็ดับ ทีนี้พร่อเจ้ามองต่ออีกว่าอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปการค้นคว้าของพระองค์ทำให้พบคําตอบว่าเพราะมีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมีนามรูปเกี่ยวเันไหมถ้าไม่มีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ภาวะอย่างนั้นนามรูปจะดับไปจะไม่อาจมีได้ในภาวะอย่างเนี้ยจะมีนามรูปได้ต้องมีสภาพวิญญาณรู้ถ้าโยมลองหมดสภาพวิญญาณรู้เนี่ยหมดตัวรู้เนี่ยโยมจะจาอะไรขึ้นมาได้ไั้ยจะรู้สึกอะไรขึ้นมาได้ไหมจะคิดนึกได้ไหมจะเจตนาได้ไั้ยจะสัมผัสอะไรได้ไหมได้ไม ถ้าไม่มีตัวรู้เนี่ยนามทั้งหลายเก่อตัวได้ไหมไม่ได้ชัวนะหมดสภาพรู้แล้วการเกาะตัวมาเป็นสัญญาก่อตัวได้ไหมไม่ได้เวทนาเจตนาผัสสะมนสิการไม่ได้เลยแต่พอรู้ตั้งอยู่ปับ๊บผัสสะมาสัญญามาเวทนามาเจตนามามนสิการมาเลยนั้นถ้าไม่มีวิญญาณรู้ขึ้นมาเนี่ยนามเกาะตัวได้ไหม ไม่ได้อันนี้คือนามก่อตัวไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณรู้กับถ้าปะะาศักวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหมายถึงระบบรูปรขันเขาไม่ทำงานนั้นคือรูปที่ตายจะเป็นรูปที่สามารถก่อให้เกิดอายตนะที่จะทำให้มีผัสสะมีความรู้สึกได้เนี่ยจะต้องเป็นรูปที่มีวิญญาณ เคยได้ยินว่าคนตายก็คือวิญญาณไปปราศจากแล้วเนี่ยถ้าปราศจากวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหมายถึงรูปรขันธ์อันนั้นไม่ทําหน้าที่เมื่อเราไม่มีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยหมายถึงเรายังมีชีวิตไหมเมืม่อไม่มีชีวิตอายตนะมันทํางานไหมอายณะไม่ทํางานผัสสะจะมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีผัสสะเวทนามีไหมไม่มีเขาจะ ต้องเป็นนามรูปที่สามารถก่อให้เกิดการทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้นามรูปอย่างนั้นต้องเป็นนามรูปที่มีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ถ้านามรูปปราศจากวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยนามรูปอันนั้นทำงานได้ไหมไม่ได้ผัสสะได้ไหมไม่ได้รู้สึก ไม่ได้นั้นนามรูปจะมีก็ต้องหมายเอาถึงนามรูปที่มีวิญญาณตั้งอยู่ทั้งทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจถ้าปราศจากวิญญาณตั้งอยู่ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจนั้นหมายถึงว่านามรูปมันดับนะถ้าโยมไม่มีวิญญาณรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็หมายถึงลูกตาทำงานไหมไม่หมายถึงตาย พอเมื่อใดก็ตามรูปขันนำหน้าที่รู้ต้องตั้งอยู่ด้วยถ้าปราศจากวิญญาณรู้ตั้งอยู่หมายถึงรูปมันมีหรือรูปมันดับรูปมันดับจะเรียกว่ารูปขันมันมีก็เมื่อมันทำหน้าที่ได้แต่ถ้าเมื่อรูปขันมันทำหน้าที่ไม่ได้ก็เรียกรูปขันมันดับแล้วตายแล้วจะเรียกว่าทำหน้าที่ได้จะต้องเป็นรูปขันที่มีวิญญาณ ต้องมีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและวิญญาณรู้ทางใจนามรูปจึงมีได้หนึ่งพออกไหมถ้าวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายดับรูปมันจะมีมะั้มรูปดับถ้าวิญญาณรู้ทางใจดับหมายถึงในพหุอย่างนั้นมันมีสัญญาเวทนาสังขารได้มไม่ได้เพราะตัวรู้ทางใจก็คือต้องรู้อยู่กับอะไร สัญญาเวทนาสังขารถ้ารู้ทางใจดับก็หมายถึงว่าสัญญาเวทนาสังขารมันมีหรือไม่มีไม่มีแต่ถ้ารู้ทางใจมันมีอยู่ก็หมายถึงมันกำลังมีอยู่กับการรู้อยู่กับอะไรสัญญาเวทนาสังขาร Overwatch. ถ้าวิญญาณรู้ทางใจมีหมายถึงสัญญาเวทนาสังขารมันมีไหมมี ถ้าวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมีหมายถึงรูปมันทำงานไหมทำงานถ้าวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายดับหมายถึงรูปมันดับถ้าวิญญาณรู้ทางใจดับหมายถึงสัญญาเวทนาสังขารมีไหมไม่มีดังนั้นถ้ามีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นคือมีรูปเมื่อมีวิญญาณรู้ทางใจนั้นคือมีนาม ถ้าวิญญาณรู้ทงางตาหูจมูกลิ้นกายใจดับหมดเลยหมายถึงรูปมันดับสัญญาเวทนาสังขารมีไหมไม่มีแต่เมื่อใดก็ตามพอมีวิญญาณทางใจก็คือรู้ทางใจก็หมายถึงต้องรู้อยู่กับนามหรือสัญญาเวทนาสังขาร น, นั่นเองดังนั้นเมื่อวิญญาณรู้ทางใจมีหมายถึงนามมันมี วิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมีหมายถึงรูปมันทํางานถ้าวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดับหมายถึงนามรูปมันดับเอาไม่เอาไม่อย่าเพิ่งหลับกําลังขึ้นทางชันนะมีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หมายถึงว่าเรายังมีชีวิตไหม นั้นหมายถึงรูปขปันยังทำงานไหมทำงานนะยังไม่ดับมีวิญญาณรู้ทางใจก็หมายถึงกำลังรู้อยู่กับสัญญาเวทนาสังขารซึ่งก็คือตัวนามถูกไหมเมื่อมีวิญญาณอยู่ครบเลยทั้งทางตา rando, หูจมูกลิ้นกายใจก็หมายถึงมีนามรูปครบไหมครบแต่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจดับ วิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายดับไม่เหลือเมื่อดับไม่เหลือเนี่ยนามรูปจะมีไหมไม่ ม, ม, มีเอาใหม่วิญญาณกับนามรูปเนี่ยะนะเราจะเรียกว่ามีนามรูปเมื่อมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนามรูปนั้นก็ดับ ถ้านามรูปดับอายตนะก็ดับอายตนะดับผัสสะก็ดับผัสสะดับเวทนาก็ดับถ้าเราจะดับเวทนาเราจะดับที่ไหนผัสสะแล้วถ้าเราจะดับผัสสะดับที่ไหนอายตนะถ้าจะดับอายตนะต้องดับที่นามรูปถ้าจะดับนามรูปต้องดับที่วิญญาณดับที่ตัวได้ไหมต้องไปดับที่เหตุพอมีวิญญาณจึงมีนามรูป พอมีนามรูปจะไม่ให้มีสลายตนะได้ไหมก็ไม่ได้พอมีนามรูปก็มีสลายตนะพอมีสลายตนะก็มีผัสสะพอมีผัสสะก็มีเวทนาะคือคกลไกของมันตรงนี้เข้าใจเนาะได้ผ่านทีนี้พระเจ้าก็มองต่อแล้วและอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงทำให้มีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูก ลิ้นกายใจอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงทำให้มีวิ ญ, ญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและท่านก็พบคําตอบว่าเพราะมีสังขารสามเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสังขารสามได้แก่อะไรเล่าสังขารสามได้แก่ กายะสังขารกายะสังขารก็คือลมหายใจเนี่ยลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายเราเนี่ย <_ d> um> เขาเรียกกายะสังขารวาจีสังขารก็คือความคิดหรือวิตกวิจารคำว่าวจีก็คือถ้อยคำสังขารก็คือการปรุงวจีสังขารคือการปรุงถ้อยคำทีนี้คำว่าวิตกวิจารเนี่ย วิตกวิจารก็คือการคิดนั่นเองเมื่อยังมีวิตกวิจาร์มันจะเกิดการปรุงถ้อยคำขึ้นในใจความคิดใช้ถ้อยคำไหโยมลองคิดอยาให้มีคาพูดในใจไหทุกความคิดหรือทุกการวิตกวิจาร์ในใจก็คือการผลิตคำพูดในใจนั่นเองคำพูดคือวจีวจีคือถ้อยคาเมื่อโยมคิดในใจคิดนินทาใครอยากให้เป็นภาษาเราได้ไห ทุกคำพูดในใจต้องเป็นการผลิตจากการคิดซึ่งการคิดเขาใช้คำว่าวิตกวิจารถ้าคนอินเดียถ้ากำลังนั่งคิดเขาก็บอกกำลังนั่งวิตกวิจารถ้าเป็นคนไทยก็ใช้ว่ากำลังนั่งคิดและเมื่อคิดอยู่เนี่ยในใจที่กำลังคิดในใจมีถ้อยคำพูดไหมมีเนี่ยก็เรียกว่า รุงแต่งคำพูดในใจก็เรียกว่าจีสังขารมีกายสังขารคือลมหายใจจึงมีวิญญาณมีว่จจีสังขารจึงมีวิญญาณและมีจิตตะสังขารจึงมีวิญญาณจิตตะสังขารในที่นี้คือสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนสิการอีกแล้วอีกแล้วอย่าเพิ่งรีม ง, งงนะ ปัจจัยที่ทาให้มีวิญญาณทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็เพาะมีกายยะสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารถ้าไม่มีสังขารสก็จะไม่มีวิญญาณทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจหน้าตามันเป็นยังไงพอมีกายยะสังขารมีลมหายใจปรุงแต่งกายเนี่ยลมหายใจที่หล่อเลี้ยงกายเนี่ย ทำให้เจ้ารูปขันของเราเนี่ยมันยังมีชีวิตไหมแต่ถ้าลองสิ้นลมดูล่ะหมดลมดูลองไหมหมดลมดูเพราะหมดลมหายใจปรุงแต่งกายหมายถึงคนที่สิ้นลมคนที่สิ้นลมเนี่ยก็หมายถึงคนเป็นหรือคนตายคนตายแต่ถ้ายังมีลมอยู่นะตายหรื อ, อยังยัง เพราะยังมีกายะสังขารยังมีลมปุงแต่งกายระบบประสาทจึงยังทําหน้าที่เมื่อระบบประสาททาหน้าที่เนี่ยการรู้ต่อประสาททางตาหูจมูกลิ้นกายมีได้ไหมได้สิระบบประสาทตาทําหน้าที่จะไม่ให้มีรู้ได้ไหมระบบประสาทหูทําหน้าที่จะไม่ให้มีรู้ได้ไหมระบบร่างกา ย, น, ยนั่งเมื่ออยู่อย่ารู้สิ พอกายเขาทาหน้าที่รู้สึกเมื่อยขึ้นมาเราก็รู้อีกนั้นถ้าลมหายใจยังมีเนี่ยหมายถึงประสาทกายเขาดับหรือยังยังถ้าลมหายใจดับหมดลมหล่อเลี้ยงกายเนี่ยก็หมายถึงว่าชีวิตดับเมื่อชีวิตดับประสาทมันทางานไหมไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานจะมีรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไหมไม่ได้ แต่ถ้าลมหายใจทำงานอยู่ประสาทมันจะดับไหมลมหายใจยังทำงานอยู่คือระบบรูปก็ยังไม่ดับเมื่อระบบรูปยังไม่ดับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังทำงานไหมทางานเมื่อทำงานอยู่จะไม่ให้มีรู้ได้ไหมเพราะรู้เป็นเงาของรูปนะรู้เป็นเงาของรูปพระรูปรขันทำหน้าที่รู้ตั้งอยู่เลยแยกจากกันไม่ได้ นั้นเมื่อลมหายใจยังหล่อเลี้ยงกายอยู่เนี่ยทำให้รูปรขันมันทำงานหรือไม่ทำงานทำงานเมื่อรูปรขันทำงานประสาทตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานพอทำงานรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาเลยไม่ให้มีได้ไหมไม่ได้นะเพราะรู้เป็นเงาของของรูปนะเป็นเงาของรูปนะ แน่ใจนะทั้งไปดูของจริงด้วยนะลองมือหยิกตัวเองแล้วอย่ารู้สิมองอะไรก็ได้แล้วอย่ารู้ว่าฉันเห็นได้ไ้ยได้ยินแล้วอย่ารู้ว่าได้ยินไม่ได้พอประสาททาหน้าที่รู้อยู่ที่นั่นเลยแล้วถ้าสิ้นลมรูปก็ดับรูปดับวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีได้ไหมไม่ได้แล้วดังแบบนั้นเมื่อยังมีกายยสังขารอยู่ วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะไม่มีได้ไหมเอาให <plex plex> ม่ช้ช้าเมื่อยังมีกายยัังขารยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเรายังหายใจอยู่เนี่ยมันจะไม่มีสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไหมแน่นะแน่นะถ้าไม่มีลมหายใจหมดลมแล้วเนี่ย เราจะให้มันมีสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไหมไม่ได้เพราะหมดลมรู้ก็ดับถ้ายังมีลมอยู่จะไม่ให้มีรู้ก็ไม่ไดนะ้เพราะมีกายสังขารตัวเดียวได้วิญญาณมากี่ตัวนะห้านะกายสังขารตัวเดียวเนะี่ยได้วิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมาห้าตัวละเหลืวหอวิญญาณตัวที่6คือวิญญาณทางใจ เพราะมีวจีสังขารและจิตตะสังขารจะทำให้เกิดมโนวิญญาณวจีสังขารคือการคิดพอผลิตการคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีรู้คิดไหมมีแน่นอนใครลองคิดแล้วไม่ให้รู้คิดสิพอคิดก็มีรู้คิดพอคิดก็มีรู้คิดตรงรู้คิดนี้ใช่มโนวิญญาณไหมใช่ไหม ใช่นะนะรู้คิดนี้คือมโนวิญญาณแต่กำลังรู้อยู่กับเจ้าสังขารละขันต้องคิดเนี่ยเป็นการทำงานของสังขารละขันทีนี้ในการปฏิบัติในระดับละเอียดลึกลงไปจริงๆเนี่ยบุคคลสามารถทำให้เจ้าความคิดหรือวิตกวิจาร์เนี่ยมันดับได้ก่อนดับได้ในฌานที่สอง ดับได้ในฌานที่สองการเข้าไปทรงในอารมณ์ฌานที่สองเนี่ยวิตกวิจารณจะดับเมื่อวิตกวิจารณ์ดับในอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการคิดไหมไม่มีการคิดแต่ในภาวะที่ไม่มีการคิดนั้นน่ะมันจะมีรู้คิดไหมมีได้ไงก็ไม่คิดแล้วมันจะรู้คิดได้ไงพอไม่มีการคิดถูกผลิตขึ้นรู้คิดจะมีได้ไหมไม่ได้ แต่ถ้ามีความคิดผุดขึ้นไม่รู้คิดได้ไหมก็ไม่ได้อีกพอยมคิดปับ๊บรู้คิดอยู่ที่นั่นเลยนั้นในฌานที่สองเนี่ยเขาจะหยุดคิดได้หยุดคิดได้พอหยุดคิดได้มันก็จะไม่มีรู้คิดแต่ยังเหลือกิริยาสุดท้ายคือกิริยาที่จิตยังไม่สิ้นสุดการกาอตัวเป็นสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมณสิกา ยังไม่หยุดการปรุงเรียว่ายังมีจิตตสังขารก็คือยังมีการก่อตัวเป็นสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนศสิการอยู่จิตตสังขารได้แก่อะไรเล่าได้แก่สัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนศสิการถ้าจิตยังมีการทรงอยู่หรือยังก่อกิริยาของสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนศสิการได้อยู่แล้วก็ รู้ต่อสัญญาเวทนามันจะยังมีอยู่ัหมมีอยู่แต่ถ้าจิตตสังขารดับก็หมายถึงสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนสิการมันดับรู้ต่อสัญญาเวทนาจะมีไหมไม่มีถ้ากายยสังขารดับระบบประสาทก็ดับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดับวจีสังขารดับจิตหยุดคิดรู้คิดก็ดับจิตตสังขารดับ คือสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนสิการดับรู้ต่อสัญญาเวทนาก็ดับทีนี้เจ้าสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนสิการเนี่ยดับได้แต่เฉพาะบุคคลผู้เข้าถึงนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นดับได้ด้วยสัญญาเวทยิตัดิโรธเท่านั้นอรูปฌานขั้นที่8ก็ดับไม่ได้ดับได้แค่วิตกวิจารณ์ ดับวัชชีสังขารได้ดับจิตตสังขาร ไ, ไม่ได้จิตยังคงกิริยาของสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมรรสิการอยู่ยังไม่สิ้นสุดกิริยายังไม่ระงับสังขารนิพพานเนี่คือความระงับสังขารหรือสัญญาเวทีตันิโรธก็คือภาวะที่ดับสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมรรสิการนะ สัญญาเวทยิตตานิโรธก็คือดับสัญญาเวทนานั้นภาวะที่จิตเนี่ยยังมีการก่อตัวเป็นสัญญาเวทนาเจตนาผสมมนิสิการได้เนี่ยเมื่อ น, นั้นหมายถึงจิตตะสังขารมันดับหรือยังดับยังยังจิตตะสังขารดับ นั้นก็หมายถึงว่าสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะนิสสการมันทำไมดับถ้ายังมีจิตตสังขารก็คือยังมีสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะนิสสการอยู่เมื่อนั้นวิญญาณก็จะมีอยู่ที่จะรู้ทางใจถ้ายังมีความคิดอยู่ยังไม่หยุดปรุงคิดรู้คิดก็มีอยู่ ถ้ามีวัจจีสังขารอยู่รู้คิดก็มีถ้ายังมีลมอยู่ลมปรุงแต่งร่างกายอยู่ประสาทรูปยังทำงานน่ก็รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะยังมีอยู่ถ้ากายยตสังขารดับรูปดับนะลมดับประสาทรูปก็ดับตัวรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดับวัจจีสังขารดับหยุดคิดรู้คิดก็ดับจิตตสังขารดับ ไม่มีสัญญาเวทนาเจตนาผัสมอุทิศการเหลืออยู่เป็นกิริยาของจิตเนี่ยเมื่อ น, นั้นรู้ต่อสัญญาเวทนาก็ดับกายยาสังขารทําทให้เกิดวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายวัจีสังขารจิตตสังขารทําทให้เกิดวิญญาณทางใจถ้าไม่มีกายยาสังขารวัจีสังขารจิตตสังขาร จะมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมไม่ได้ถ้ามีกายยะสังขารวจีสังขารจิตตสังขารแต่จะไม่ให้มีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมก็ไม่ได้อีกถ้ามีสังขารสก็ต้องมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและเมื่อมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมีนามรูป เมื่อมีนามรูปก็ต้องมีสลายตนะเมื่อมีสลายตนะก็ต้องมีผัสสะมีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาจึงมีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทานมีอุปาทานก็มีภพมีภพก็มีชาทีนี้เจ้าสังขารสามเนี่ยถ้าเรามองในมุมของขันธ สังขาร3เป็นระบบชีวิตที่เกิดมาแล้วเมื่อชีวิตทําหน้าที่เนี่ยการก่อกิริยาของสังขารทั้งสจะเกิดเองทุกชีวิตที่คลอดมาเนี่ยเหมือนการสตาร์ทเครื่องด้วยสังขาร3สังขาร3มเป็นระบบการผลิตการทํางานของขันสี่ขันสังขาร3นะเป็นระบบการผลิตการทํางานของขันสี่ขัน กายยสังขารลมหายใจเนี่ยผลิตการทา ง, งานของรูปขันวัจจีสังขารผลิตความคิดขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนของสังขารละขันจิตตะสังขารสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนุสิกาเนี่ยผลิตการทำหน้าที่ของสัญญาขันเวทนาขันสังขารละขันเท่ากับสังขารสามเนี่ยเป็นระบบการผลิต รูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารมันจึงมีอะไรอีกตัวขึ้นมาวิญญาณที่จะรู้ต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารในมุมว่าสังขารสคือระบบที่ผลิตขันสี่ขันพอมีขันสี่ขันปุ๊บวิญญาณขันก็เป็นเงาตามประกบมาอีกหนึ่งขันนี้มองในมุมของการเป็นขัน กับสังขารสามถ้ามองในมุมว่าคือนามรูปเนี่ยได้ไหมว่าสังขารสามคือนามรูปไม่แน่ใจได้นะนามรูปได้ยังไงกายะสังขารผลิตรูปวจีสังขารจิตสังขารผลิตนามสังขารสามทำให้มีนามรูปและพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณ ถูกไหมพอมีรูปไม่ให้มีรู้รูปได้ไห ม, ไมไพอมีนามไม่ให้รู้นามได้ไหมไม่ได้เพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปสังขารสามเนี่ยเป็นได้ทั้งระบบนามรูปเป็นได้ทั้งขันสี่ขันนี่คือสังขารสาม ล้าเราบอกว่าพอมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพอมีรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงมีวิญญาณพอมีสังขารสามจึงมีวิญญาณเนี่ยใช่ตัวเดียวกันไหมแน่ใจนะไม่แน่ใจหลายคนอย่างนิ่งเงียบแต่ลงเอาใหม่เพอมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพอมีรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงมีวิญญาณ พราะมีสังขารสามจึงมีวิญญาณเนี่ยใช่ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันนะนะแน่ใจนะถ้าแน่ใจก็คือว่าเข้าใจนะตัวเดียวกันนะเพราะมีสังขารสามจึงมีวิญญาณพระมีวิญญาณจึงมีนามรูปพอมีนามรูปจึงมีสลายตนะไล่ยาวไปจนถึงชาติเดี๋ยวฉันเพจแล้วก็ไปนั่งทบทวนถ้าไม่มีอนิจจงอะไรช่วงบ่ายปฏิ นะ่จาจะใกล้จบนะถ้าไม่มีดิจังนี้เรายังไปไม่ถึงอวิชชานะยังไม่ถึงวิชชาพอละถึงสังขารแล้วจะต่อติดไหมเจอกันบ่ายเนะี้ยอย่าไปนั่งทวนนะเออเพะมีสังขารสามมีวิญญาณได้ยังไงมองให้เห็นภาพเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปได้ยังไงมองเห็นภาพเพราะมีนามรูปมีอิจตนะได้ยังไงมองให้เห็นภาพ มีอายตนามีภาษาได้ยังไงมองให้เห็นภาพเป็นภาพไปทีละจังหวะจังหวะจังหวะถ้าสังขารสามดับวิญญาณดับได้ยังไงวิญญาณดับนํารูปดับได้ยังไงนํารูปดับสลายชนะดับได้ยังไงเนี่ยมองให้เห็นภาพเห็นภาพเป็นภาพไปทีละจังหวะถ้าไม่เห็นภาพเนี่ยจะเรียกว่ารู้แจ้งได้ไหมไม่ได้นะโยมไปมองให้เห็นภาพนะพอสมควรเชิญ